فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَهُمْ <تصفيق> فِي ر َ ض َ ا ه َُ ح ْ م َ ر ُ و ن َ وَهُمْ فِي ر َ ض َ ا ه َ ي ُ ح ْ م َ ر ُ و ن َ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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم ب и أسبحنا و ب и أمشينا و ب и نحيا و ب ك ن م و ت و إ, أ و ل الل ي ك ن نشور أعوذ بكلمات الله ا ل ا مات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ر ่ ي ี ت ุ الله ر ب ا وب الإسلام دينا وب محمد الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ر وال الغ ب وال ر كل شيء ومالك أشهد أن لا إله إلا أنت อาอุบ ah uh. ิค้มินชัรรินับซีว่ชัรริชัยปานีว่ชัร์คว่อันอัคตารฟะะลนัซีอออัจุรรอลมุลม السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ที่น้องที่ร่วมนมาสุบที่มัสยิดของอัลล์ที่รักทั้งหลายครับที่น้องต้องขอบคุณนะฮามดุลิลล ขอบคุณ Allah อีกลาวราย س ب ั ا Allah ลฮัมดุลล l l a h ลาอิลาอิลลอ Allah a l l ب ر سبحان الملك ا ل ق د و لا حول ولا قوة إلا بالله ที่ a l l a มีวันบันยุดวันนี้เงียบก็ะทอมองเงียบหมดเลยนะโรงเรียนก็หยุดเด็กนักเรียนกลับบ้านกันหมด่าฮัมดุลขอบคุณ Allah พี่น้อง <c oughs> ชีวิตบนดุลยานี่นะชีวิตไม่ว่ามุสลิมจะเป็นมุสลิมคนที่เอาอาัลลอฮหรเอาอัลลอฮ์ก็ตามคนที่มีอิมาหรือไม่มีอิมาเนี่ยอลัลลอฮ์ให้เพื่อการทดสบอบอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่นี้แล้วก็ให้พบกับความสุขความสบายความเบิกบานกุ้มอกกุ้มใจเสียใจมคนนนีคนนั่นตายคนนี้ตายคนใกล้ชิด ให้ประการทดสอบทั้งหมดระครบ้างที่เมื่อถูกทดสอบจอากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยวางตัวยังไงก็ให้ดูตัวอย่างท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลในอุสลามเป็นบุคคลตัวอย่างของอลัลลอฮ์คนเดียวในยุคปัจจุบันนี้ <c oughs> ไม่มีคนอื่นครับคนอื่นไม่ใช่เป็นบุคคลตัวอย่างเพราะอัลลอฮ์เล่อเ ร, รองท่านนาบีมุฮัมมัดคนเดียว รับรองว่าไงครับหลักอดการนาลรกุมฟีรอซูลินละฮิอุสวาตุนฮัสซานะแท้จริงในตัวของท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีท่านเป็นนบีนะครับและเป็นแบบอย่างอยู่ในครัวด้วยอยู่ในบ้านท่านด้วยเป็นสามีด้วยเป็นแบบอย่างหมดเลยครับอยู่ที่มัสยิดด้วยอยู่ที่ที่ทำงานด้วยจะอยู่ที่ไหนก็ตามนาบี ไปไหนมาไหนยี่สบสามปีนั้นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอุสวาฮะสนะเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนที่จะเอาอัลลอ์ถ้าต้องการจะเข้าเฝ้าอัลลอ์ต้องการที่จะมีชีวิตที่อัลลอ์พึงพอใจนั้นให้ดูแบบอย่างท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุวซัม <c oughs> <c oughs> นั้นแบบอย่างท่านนาบีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วอัลลอ์จะถามตอนตาย ถามว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ไหมอาจจะให้รูปหเห็นดูรูปก็ได้หรือเอาว่าคนคนชื่อมุ hammad น่ะรู้จักไหมอลัลลอฮ์ถามทำไมเลยกล้ามาถามทําให้รู้จักลําบากคนที่ตาเนี่ยลําบากหมดเลยครับทําให้รู้จักนบีมุ hammad มมรู้จักอลัลลอฮ์ไหมไม่รู้จัก ในภาษาหะดีสุวัลลาอดรีฉันไม่รู้ลำบากครับชีวิตในกูโบนี่ลำบากรู้จักอัลกุรอานไหมรู้จักนบีไหมถ้าไม่รู้จักสามรายการนี้ชีวิตหลังตายลำบากหมดเลย <c oughs> ทีนี้ท่านอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์รับรองและอิสลามไม่ใชไ่ไม่ใช่อยู่ไปอยู่ไปเนี่ย รัศมีของอิสลามมีจะดับลงนะไม่ใช่มีจะขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นนคุณอ่านอธิบายยังไงใช่ไหมรูยูรีดูนาริยุทธฟิูนูรุลลอฮิบิอัฟวาฮิหิมประชาชนที่ไม่เอาอัลลอ์เนี่ยเขาต้องการที่จะดับรัศมีแห่งอิสลามของอัลลอฮ์ให้ดับลงด้วยลมปากของพวกเขาเองวยะบัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ไม่ต้องการบบนั้น อยูต <ch> <backstory> ิมมานูราหูอัลลอ์จะให้อิสลามเนี่ยรัศมีอิสลามเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นอัลฮัมดุลิลพี่น้ังจะนั่งทสาอิสลามในศาสนาของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ดูแลรักษาแล้วก็มีวซีนะหนึ่งมีอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองสองจิบรีลคุ้มครองศาสนาเนี่ยแล้วก็ใครอีกครับ ซอลีุ่ลมุมินินคนที่เป็นมุมินที่ซอนแลทั้งหมดดูแลองค์กรนี่ดูแลศาสนานี่วันมาลาอิกะและมาลาอิกะทั้งหมดจิบรีนอะซุปเปอร์มาลาอิกะแล้วนะมีอัลลอ์มีจิบรีนมีซอลีุ่ลมุมินินวันมาลาอิกะและมาลาอิกะดูแลปกป้องอัลลอฮฉะนั้นจะบาใจได้ ไม่ต้องไปนั่งเครียดเยอะแต่ว่ามุสลิมถูกถูกด่าตลอดมุมินถูกตำหนิตลอดเหมือนใครเหมือนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลามสลมุลามยี่สิบามปีของการเป็นนบีนั้นศัตรูเยอะมากอยู่ในห้าศาสนาแล้วก็ห้าศาสนานี่ยทำไรายได้ไหมไม่ได้เลยได้แต่ตำหนิอย่างเดียวได้แต่ว่าว่านาบีเป็นคนบ้านาบีเป็นคนนั่นเป็นคนสร้างความแตกแยก เองจะลงทุนเท่าไหรก็เชิญเธอไม่สำเร็จสบายใจได้นั่นเรามาอ่านกุรานกันดีกว่านะเ <c oughs> พราะกุรานเป็นคำภีเล่มเดียวที่หลงเหลืออยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะครับขอบคุณนบีน้องวัน <c oughs> นี้มาถึงอายาที่1ิบเอสุร่าอรูมสุร่ารู ม, รรมนี่ยบทที่เท่าไหร่นะบทที่ส0มสิบรูมนี่แปลว่าโรมันมประเทศ อาณาจักรโรมันเนี่ยยิ่งใหญ่มากถ้าจะเปรียบกับสมัยนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับอเมริกาหรือจีนรัสเซียยิ่งใหญ่มากเลยครับแล้วก็มุสลิมเนี่ยเข้าข้างพวกอาณาจักรโรมันเพราะว่าอัคีดาคล้ายๆกันเพราะว่าพวกโรมันเนี่ยนับถือศาสนาอะไรศาสนาคริสตนับถืออัลลอฮ์นับถือ Allah. นบีอิสาเป็นลูกอัลลอ อันนี้มันผิดตรงนี้แหละใช่ไหมแต่ว่าอาักีดาคล้ายๆกันจะด้านเมื่อกรุงโรมชนะเนี่ยโดยอัลลอฮ์บอกกับนบีว่าไม่ชาเนี่ยกรุงโรมจะจะจะจ ะ, จะแพ้เราจะแพ้แล้วกว็พวกไหนนะพวกเปอร์เซียนี่จะชนะโอ้โหแล้วก็เรื่องมันเกิดจริงด้วยพราะเกิดจริงจีนขึ้นมาช่วงนั้นคนรับอิสลามไม่รู้เท่าไหร่อ่ะ ของที่อัลลอ์ให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ละแต่ละอย่างนี่นะพวกยาฮูดีต้องการจะทำลายแต่ที่ไหนได้อัลลอ์ให้เบื้องหลังคือคนรับอิสลามเพิ่มขึ้นตึกเวลเทรด ท, ที่มีปัญหาครั้งที่แล้วนะคนรับอิสลามเท่าไหร่ท่านใครจะวางแผนก็วางไปเถิดนะแต่อัลลอ์เป็นผู้ดูแลปกป้องศาสนาอลอิสลามเอาวันนี้มาอาญาที่11บอนะครับ ا l l a h u yabdaul ثم ي <c oughs> ع د و ثم إليه ترجعون Allahu yabdaul khalqa ثم يعيدو ثم إليه ترجعون ห้ามดูละเนี่ยอัลลอฮ์ล่าใ น, นการพีคานนะคืออาย่านี้ต้องการจะบอกอย่างนี้เมื่อก่อนนี้โลกดุนยาใบนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยในคุรานอธิบายอะไรหรือไมยมีแต่ดุคอนแปลว่าสมอกมีเป็นควันแล้วก็อัลลอฮ์ให้ควันนี่ยแยกออกสมอเนี่ยออกปข้างบนและข้างล่างมีชั้นฟ้าแล้วก็แผ่น ด, ดิน เดิมไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าฉะนั้นอัลลอ์อัลลอ์เป็นผู้เริ่มเริ่มแรกยับดะแปลว่าเริ่มแรกภาษานีเพราะที่สุดลวเริ่มแรกอัลคอลก็นในการสร้างอัลล์สร้างเนี่ยอัลลอ์อัลลอฮอักบัดนี่สอนมุมลิมอย่าไปคิดว่าชั้นฟ้าดวงดวงจันดวงอาทิตย์ชั้นฟ้าแผ่นดินเกิดขึ้นเอง นี่อะกีดาของคนเมืองไทยเกิดขึ้นมาเองหมดเลยอ้นี้ก็เกิดมาเองไอนนี้ก็เกิดมาเองอะไรตรงไหมธรรมชาติสร้างทีนี้ฟิสิโอตุลล้อเรียกว่าธรรมชาติอลัลลอฮ์คุมธรรมชาติอยู่กุดเดอตุลลอ้อความสามารถของอลัลลอฮ์กับฟิสิโอตุลล้ออัอลลอฮ์คุมหมดเลยกดธรรมชาติอลัลลอฮ์ก็คุมนี่คุณอ่านสอนน่ะเตือนแล้วจานั้นไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่ เกิดขึ้นมาเองไม่มีไอ้ที่นั่งนั่งอยู่ในธมัสยิดมีอะไรเกิดขึ้นมาเองมีไหมต้องลงทุนหมดเลยใช่ไม่ใช่แค่พัดลมนี่ก็ถ้าไม่เช็ดเป็นปีเน่ยเดินไม่ได้น่ะฟุ้งตั้งนานน่ะต้องมีคนดูแลทั้งหมดฉะนั้นไม่มีอะไรบนโลกดุนยาเบนี้ที่ไม่มีเจ้าของไม่มีอัลลอฮ์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวกับอัลลอฮฺยาบดาอุลคัลก็ยับด้าแปลว่าเริ่มแรกอัลฮัลก็แปลว่าการสร้าง อัลลอ์เป็นผู้ทรงเริ่มแรกในการสร้างในการบังเกิดอัลลอฮ์นี่คุณอ่านพี่น้องเข้าใจภาษาราบ้างเล็กๆน้อยๆนะอิมานเราเพิ่มตลอดเวลาเลยนะข้อที่สองครับเมื่อสร้างไปแล้วเนี่ยนะมีวันหมดอายุไหมหมดอายาที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะวาอาจาลิมมุซัมะม ทุสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้อยายะที่แปดนี่นะที่อยู่ใบนี้มีวันหมดอายุทั้งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เราเองก็รอตายชันฟ้าร่วงอย่งลงมาครับแผ่นดินนี่หมดอายุยะฮูดีเคยถามนาบีเอ๊ะนบีก็บอกตอบเลยครับฟิซุละฟิซุลมาอยู่ในที่มืดมืดนบีตอบเลยนะ อย่าฮูดีมาถามนะตองการจะลองภูงว่าเองเป็นนบีจริงหรือเปล่านาบีก็ตอบอยู่ในที่มุมมืดแล้วก็ใกล้กับสะพานใกล้กับสะพานสะพ า, านซีรัต่จะข้ามไปสวรรค์นั่นแหละนี่นบีเล่าให้ฟังอยู่ในหัดดสขสงอิมา ม, มุสลิมชัดเจนครับรเพราะฉะนั้น โลกใบนี้มีวันหมดอายุไหมหมดอายุแล้วโลกใบนี้อลัลลอฮจะเปลี่ยนโลกใบนี้ออกไปแล้วมีโลกใบใหม่ออกมาย่ฮหูดีถามว่าคนจะอยู่ตรงไหนเมื่อก็เอาโลกออกเอาโลกใหม่มานบีต์อ ว, ว่าอยู่ในที่มืดมื ด, มดแล้วก็ใกล้กับสะพานเซร์อั Akbar, ลลอฮฺอัลลอฮอัลลฮฺอัลลอฮฺเราจะต้องเห็นเหตุการณ์อีกเยอะนะจะต้องไม่ใช่มันยิ่งกบเบิ้นเททะลงอีกนะ จะเห็นเหตุการณ์อีกเยอะมากเนี่ยค่อยๆดูไปสิอะไรจะเกิดขึ้นแค่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาวันนั้นก็ยิ่งใหญ่ไปที่ตาจวบที่ตาช่างก็ยิ่งใหญ่แค่ยื่นสมุดบัญชีมือซ้ายกับมือขวานี่ก็ยิ่งใหญ่ก็แค่กินน้ำมันมีบอ่อน้ำที่รึเค้าเก็ยกว่าฮาวต์ฮาวต์เกาซับอ่อน้ำเกาซัดอยู่นอกสวรรค์ ส่วนหน้ารู ก, กาวซัตนะอยู่ในสวรรค์พูดเรื่องนอกนอกนอกสวรรค์ด้วยแล้วก็ในสวรรค์ด้วยในนอกสวรรค์เนี่ยเราจะต้องไปพบเหตุการณ์นาบีอะไรนะตักน้ำแจกแจกแจกแจกแจกใครที่ได้ดื่มน้ำจากฝีมือของท่านนาบีนะแค่อึกเดียวนี่นะสดชื่นไม่ได้หิวต่อไปแต่มีอยู่คนกลุ่มหนึ่งนะ มาลายกายืนห้ามมาไว้ไม่ให้กินนบีว่าเอาเข้ามาพวกฉันไม่ให้กินนี่ยทำบิดาเห็นยังครับฮะดีพูดชัดเจนอย่างนั้นเรื่องบิดาเนี่เรื่องใหญ่มากนะกั้นตัวเองไม่ให้เข้าวไม่มีโอกาสได้ไปดื่มน้ําจากมือของท่านนาบีมหามัสลลัลลออะไลฮิวะสัลลัมทำบิดาบิดาไปคิดเองบ้างอะไปต่อยอดเองบ้างอะของที่นบีไม่ทำทำทำไม แล้วเมาว่าเป็นศาสนาเยอะแยะไปหมดน่ะพูดมากก็ไม่ได้ก็เป็น้องคิดเองกันแล้วกันอะไรที่นบีไม่ทําแล้วเราควรเรามาทําว่าเป็นศาสนานามีไหมยเยอะมากยกตัวอย่างมาละ เ, เรื่องกูโบนี่แหละเรงกูโบนี่ไปอ่านกุอ่านนะักกูโบนะเอาถูกถูกหรือผิดผิดนบีไม่เคยทา น บ, บีเข้าออกูโบออแค่ไปขอดูอายอย่างเดียวน่มันนบีทำมาว่าเป็นแบบอย่างซอบ้านนบีทำแบบอย่าง่าอิหมามท่านสีเดินตามน บ, บีหมดอายุตัวอย่างเดียวแค่อ่นานกุอานะอันนี้ก็หูพึงแล้วเอาอุปสรรคอะไรมาพูดเนะ่ยใช่มากก็ไม่เป็นอาเล่าแค่นี้พออัลลอฮฺุยาบิดะอุลขัลก์อัลลอทรงเริ่มแรกในการ บังเกิดซุ้มมาว ย, ยดูแล้วอัลลอฮ์ก็จะทําให้มันฟื้นขึ้นมาอีกหมายความว่าหมดอายุก่อนไงเพราะอายะห์ที่แล้วพูดทั้งว่าทุกสิงตุย่างหมดอายุแล้วอัลลอฮ์จะยูไวดูหูให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้เป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่อัลลอฮ์สัญญาไว้ อัลลอฮฺแสดงวันโลกใบนี้หมดอายุไหมหมดอายุครับเมื่อหมดแล้วหมดเลยไหมไม่หมดครับอลัลลอฮ์สร้างขึ้นมาใหม่เหมือนเก่าอีกไปต้องอาจจะดีกว่าเก่าด้วยกว็ได้ในคุณอานอธิบายอย่างนี้เรื่องสร้างคนนี่นะเรื่องง่ายสำหรับอลัลลอฮ์แม้แต่อะไรเนียเนี่ยรอยนิ้วมือเนี่ยรอยนิ้วมือเนี่ยแต่แล้วคนนี่นะประมาณเจ็ดพันล้านนะไม่ซ้ำกันสักคนหนึ่งนะ ใครลองตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่อัลลอ์จะให้รอยนิ้วมือเนี่ยเหมือนเดิมไม่เชื่อลองดูต่อไปรอยนิ้วมือก็ไม่ซ้ำกันนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานะหูบะตาลาต่อมาครับซุมไม่เลยตุรเจ้าแล้วสู่เจ้ากลับไปยังอัลลอ์ไปยังพระองค์อัลลอฮฺอัอบ เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วหลังจากตายพอฟื้นขึ้นมาต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺสุบะฮฺรานูร์ตะลันี่เป็นอกีดะไอคน ท, ที่ที่เชื่อแบบนี้นะมีไหมในโลกนี้เยอะเหมือนกันประมาณสองสามพันล้านลนะแต่คนที่ไม่เชื่อมีไหมโอโ้ยังน้อยอีกห้าพันล้านทนะีนี้หน้าที่เราก็เป็นห่วงคนนะไม่อยากจะให้ใครตกนรกนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่อยากจะให้ใครเดินตกทุกสักคนนะันน่ะ ถึงได้ลงทุนเผยแพ่อิสลามนะถูกด่าบ้างถูกขว้างบ้างถูกตําหนิบ้างก็ทนเพื่อให้เอาอัครีดาอิสลามเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันตกลงว่าโลกดุงยาใบนี้หมดอายุไหมหมดใครเป็นผู้สร้างโลกใบนี้อัลลอฮ์เกิดขึ้นเองหรือว่าอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาพออยู่ไปอยู่ไปหมดอายุแล้วก็อัลลอฮ์ก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ทุกคนจะต้อง ฟื้นขึ้นมาแล้วต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์สุลตานไปทําอะไรนี่แหละคือมีรางวัลตอบแทนละ่ะใครทําความดีเอาไว้ก็มีรางวัลใครทําความชั่วเอาไว้ก็มีมีการลงโทษนะครับเนี่ยมาเรื่องที่แน่นอนนะในกุณอานพูดย้าไปย้า ม, มาตลอดครับทีนี้ในคัมภีร์คุณอานอธิบายอีกครับว่าโลกดุนยาใบนี้นี่นะอัลลอฮ์จะจะม้วนอืย่อมา ยตัตโวิสสาอัลลอฮฺจะม้วนโลกดุนยาไปนี้โลกชั้นฟ้าแผ่นดินจะม้วนเหมือนอะไรครับเหมือนม้วนกระดาษอาลัลลอฮฺอธิบายเลยนะกลัวจะไม่เข้าใจเอ็งเข้าใจไหมนะชั้นฟ้าแผ่นดินชั้นจะม้วนเหมือนม้วนกระดาษอาลัลลอฮฺอักบุบะดใช่ไห ม, หมดอายุกะมาบาดะอาลอวะล็อลกิน เหมือนกับเริ่มร่างสร้างมาครั้งแรกสร้างมายัางไงต้องไปเรียนหนังสือต้องไปประทานักวิทยาศาสตร์บ้างไงสมัยมาก่อโลกเป็นยังไงเราก็อ่านมาแล้วใช่ไหมละ่ะครูก็แนะนำเป็นสมองนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นถามว่าใครสร้า ง, งสร้างเองเกิดขึ้นมาเองแต่อัลลอฮ์บริหารจัดการเอาต่อมาครับตัวลวงว่าทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮ า, านะุอัลลาห์นะในคัมภี ร, ร์อักุรอานอีกอันหนึ่ง ว่ามินมินฮาคอลกกนากุมจากดินเราได้ให้สูเจ้าเกิดขึ้นมาว่าฟีฮานุไอดูกลุ่มและจากดินเราให้สูเจ้าเนี่ยคืนสู่ดินพอตายก็ถูกฝังในดินต่อมาครับว่ามินฮานุคดิยูกุมตาโรตันโอโคร และเราก็จะให้สสเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันฟื้นขึ้นจากดินเหมือ น, น, นกันอยารอานอธิบายอรกุรอานชัดเจนครับพี่นอ้องเราทำอย่างไแสดงว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วนี่นะพอวันกิยามาเนี่ยมมีตายแล้วนะอยู่ไปตลอดเลยนะถ้าอยู่ในนรกก็ น, นรกตลอดถ้าจะอยู่ในสวรรค์ก็สวรรค์ตลอดเลือกเอาจะอยู่ที่ไหนดี เรียกอย่ในีสวรรค์ดีกว่าหรอผมว่าระยาหนึ่งอธิบายอย่างนี้นะครับวันที่น้ำอสุจิของใครนะของม่เราก็ย่อเราเนี่ยผสมกันอยู่ในท้องเนี่ยนะพอครบร้อยยี่สิวันเนี่ยได้ได้เรามาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มรกยาตมาเป่าวิญญาณแล้วก็ให้สีรายการนะหนึ่งริสกีได้เท่าไหร่ สองวันตายหมดอายุมารายอันที่สามมีอาชีพทําอะไรอันที่สีคุณจะเป็นคนดีหรือคนชั่วไอ้ข้อที่สีเนี่ยเลือกได้แต่อีสามข้อนะเลือกไม่ได้รสกี้ของอัลลอฮฺอัลลอฮ์กำหนดใครเลือกได้ปะเลือกไม่ได้ครับวันตายเลือกไม่ได้อันที่สามอาชีพเลือกไม่ได้อัลลอฮ์กาหนดบางคนจบมาทังเยอะแยะมานั่งขายของอยู่เลยไม่เห็นนะ เต็ไมไปหมดในพวกอะไรต้องการจะเตือนให้รู้ว่าอาชีพเนี่ยอรรถกําหนดแต่อันที่สี่นี่เรียกได้จะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่ว อ, อ, อัลลอฮ์ถ้าเป็นคนดีก็เรียนอิสลามเรียนกุนอาเรียนสุนานะนาบีก็กลายเป็นคนดีถ้าจะเป็นคนชั่วก็ทิ้งอัลลอฮ์ทิ้งรอซูน ท, ท, ท, ทิ้งสุนานะนาบอออีอัลลอฮ์ข้ารากรก็คิดเองอะไรเองทําเองนี่นะเป็นคนชั่วไปแล้วอย่มีเป็นตัวเองเอาต่อมาครับอายาที่สิบสอง ว a y จะมาถูกมุสาวะ a ุยบ u ลุสล مجر u มุนว u นจะมาถูกมุสาวะตุย a าลุสล مجر ิมุนอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอ วันหมดอายุโลกใบนี้มีจริงครับเอาดูคำแปลนะวยายาวมาวันหนึ่งตะปูแปลว่ายืนขึ้นหรือว่าตั้งขึ้นหรือว่ามีขึ้นหรือว่าแปลว่าเกิดขึ้นวันหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คืออสาสาวันสิ้นโลกสาเดิมแปลว่านาฬิกา แต่ตรงนี้แปลว่าวันสิ้นโลกวันหมดอายุโลกใบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนตันนี้ก็กล้แล้วนะเริ่มแผ่นดินไไว้ๆเซนเนมิก็มีบ่อยเห็นไหมนี่เพื่อเตือนให้รู้ว่าโลกใบนี้หมดอายุแน่นานี่กุอานยืนยันครับวายามาตากูมุสะและวันซึ่งยามอวสาน รืววันหมดอายุของโลกดุนยาใบนี้ตะกูมแปลว่าจะตั้งมั่นขึ้นหรือเกิดขึ้นมามาถึงแน่อย่างแน่นอนตะกู่มแปลว่ายืนอยู่ความมาซลาแปลว่ายืนยื น, ย, นยืนมาถหมายถึงว่ามาถึงพบเจออย่างแน่นอนวันสิ้นโลกจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนเมื่อมาถึงแล้วไปยังไงครับ โยบาลีสุลโมจเรมุณพวกมุจเรมมุจจริมบุนคคลที่ทําบาปคนมีผิดเอา้าคนมีผิดคนยังไงเราพวอจะเข้าใจใช่ไหมคนที่ไม่เอา Allah, อัาอ Allah, อาอลลอฮ์ไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ไม่อีมานต่อวันสิโลกไม่อีมานต่อมาลาอิกะไม่อีมานต่อนบีไม่อีมานต่อกุรานไม่เชื่อว่า ความจนความรวยกดกรดก็ได้เธอเอาลอก็ฉันไม่เชื่อนั่นก็เรียกว่าคนชั่วคนไม่นามาดคนชั่วคนไม่จ่ายสกาดคนชั่วคนไม่ถือสินโอดคนมีเงินไม่ไปทาพิญีคือคนชั่วทั้งหมดแต่นีนคนชั่วเป็นไงครับยูบลิสแปลว่าท้อถอยแย yeah. หมดกำลังใจกระดิกกระเดี่ยวไม่ไหวกูไปไหนไม่รอดแล้ววันไหนวันเตี่ยมา เห็นอย่างครับฉะนั้นเลือกเป็นคนดีดีกว่าถ้าเป็นคนดีนี่นะวันนั้นนะ่ะเขาวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นนะ่ะเขาวิ่งกันไปกวิ่งกันมาแต่เรานั่งเฉยเฉยอ่ะล้อแอร์บัสพี่น้องเห็นไหมอ่ะซนามิมานะ่ะพังกันหมดนะ่ะมีอยู่อย่างเดียวที่ไม่พังอะไรมสัสยิดเห็นยังอ่ะแล้วให้เห็นอะไรเยอะพี่น้อง นังอยู่ในมัสยิดปลอดภัยหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวายามะตะกูมุสอาตุยุบลิซุลมูจริมูนและวันซึ่งยามอวสานหรือว่าวันหมดอายุของโลกดุนยาจะต้องเกิดขึ้นจะต้องปรากฏขึ้นมาถึงอย่างแน่นอนตะกูมเกิดขึ้นเกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาถึงอย่างแน่นอน มาแน่ๆนี่เป็นคําสัญญาของอัลลอฮ์สุบฮานาหูอตาลาคุณอ่านพูดไม่โกหกครับเป็นเรื่องจริงหมดเลยครับต่อมาครับยุบลีซุลมูจริมูนมุจริม์แปลว่าพวกมีเพศใครเพศก็คนที่ไม่รไม่เอาอัลลอฮ์นะไม่เคยสวดอุดุดตออัลลอฮ์ไม่เคย จ, จ่าย zakat เพื่ออัลลอฮ์ไม่เคยทําความดีเพื่ออัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์แต่งตั้งมาไม่เคยสนใจเลย ไม่เคยถามว่านาบีจะทําอะไรบ้างนาบีกลางคืนทํำยังไงเข้าห้องน้ําทํำยังไงเข้ามัสยิดทํทำยังไงรูปแบบเตี่ยวล่อให้กับให้กับนบีเป็นแบบอย่างกับพวกเรานั่นไม่มีใครสนใจอะพอมีใครสนใจบ้างก็ใส่ใส่สส่่คดีละอันนี้มาสร้างความแตกแยกในหมู่บ้านสร้างโน้นสั่งนี้เอาลอยจนกระทั่งคนกลัวที่จะเรียนซุนนะใช่หรือไม่ใช่กลัวไปหมดแล้วกับพวกเราด่ากันเองะ <laughs> จากนั้ น, นตบ้าตัวให้หมุสลนะอัสตัลลอฮฺหันมาเรียนกุณอ่านมาเรียนสุนนะท่านนบีดีกว่าครับเราจะไม่ถูกตําหนิว่าเป็นพวกมุสริมทีนี้คนมุสริมเนี่ยนะในตัฟซีตอธิบายดีนะคุณอา่านจะบายอย่างนี้ว่ย า, ายังมาจะกมมุสรามยุคิมุลมุสริมคนดีกับคนชั่วในวันนี้มาอยู่ปนกันใช่มไหมบางทีบ้านเดียวสองศาสนานี่ยเอาอัลลอฮฺก็ไม่เอาัลอาลอฮฺ มีไหมมีครับอยู่เพื่อเซ็กอย่างเดียวอะ่ะอยู่เพื่อสังคมอะ่ะแต่ใครที่อยู่เพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่กล้าอยู่หรอกครับผู้หญิงกับผู้ชายมาอยู่ด้วยกันอะ่ะถ้าอยู่เพื่ออัลลอฮ์นะไม่มีใครกล้าทําสักคนหนึ่นะมันต้องผ่านการแต่งงานก่อนนิก้าก่อนภรรยาก็ต้องมีศาสนาสามี ก, ก็ต้องมีศาสนาเหมือนกับเหมือนท่านนาบีของสุลัยน์ของมุสลิม อ, อ, อ, อ่ะ แต่คนที่มีเอาศาสนานี่มันอยู่สบายใช่ไหมล่ะอ่ะมาอยู่ด้วยกันก่อนทดลองอยู่กันก่อนสัสองปีสามปีพอทองแล้วก็ไปนิกานันศาสนาอะไรไม่ใช่อิสลามทีนี้ในวันนั้นคนชั่วกว่คนคนดีนะแยกกันชัดเจนเลยวันนี้คนดีกว่คนชั่วเอารอบเล่าในกนรรารพิจารณาอนอยู่ปนกัน แต่คนที่เอาศาสนาเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องระวังตัวเห็นะไมแม้จะจะมองผู้หญิงคนมองแต่ครั้งเดียวก็ก็ห ล, ลบหลบหลบตามเพราะกลวัวนะกลวัวอะไรนอะเรื่องที่สองครับคนมุสริมคนชั่วเนี่ยเมื่อฟื้นขึ้นมาจากหลุมหลุมศพเนะ่ยมาเยืน อ, อยู่ในทุกมาชาตินั้นมองโลกดุนยาอาลรถให้นึกนะอลรถไม่ให้ลืมเลยนะ มองโลกดุนยามาอยู่มากี่ปีบางคนอายุยาหน่อยร้อยปีสั้นหน่อยก็ห้าสิบปีหนุ่มๆทีขี่ถรถจักรยานตายกับยุ่แช่ไปใช่ไหมละ่ะเอา้ามองดูคนไม่มีศัสนานะพอไปอยู่ในอาคีราพับมองชีวิตโลกดุนยาฉันอยู่แค่ชั่วโมงเดียวแค่ชั่วโมงเดียวน่ะ ภาษากาวนส า, าตันมินันนาหแค่ช่วงเวลาหนึ่งของกลางวันเท่านั้นเองอัลลอฮให้จำเหตุการณ์ทั้งหมดเลยพี่น้องขนาดนอ น, นะกูบเป็นพันๆปีน่ะนะพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยจำเหตุการณ์ในดวยาทั้งหมดเลยนะ่ะใครให้จำอัลลอให้จำอัลลอมาภาพบลบภาวของันจุยามาในคลัวนะเวลา เรื่องที่หนึ่งอลัลลอฮฺจะแยกคนดีกับคนชั่วแยกนคนโลกดุนยานี่แยกไหมไม่แยกเอาอยู่กันไปใครจะมี ส, สติปัญญามีสมองก็คิดเองใช่ไหมเพ ร, ะราะคุณอานให้มาแล้วให้นาบีมาแล้วเองไม่เอาเรื่องของเองวันขี้ยมะมาอัลลอฮฺจะแยกชัดเจนอันอันอันที่สองคนชั่วนี่ยมองภาพโลกดุนยาหนึ่งเหมือนชั้นอยู่ในดุนญยญานี่อะไรนะแค่ชั่วโมงเดียวทานคนเนี่ยอายุ แปดสิปีร้อยปกับชั่วโมงครึง่งแค่สองชั่วโมงอโลหนั่นก็เยอะแล้วไปเสียใจง่ะลโลทําไมฉันปล่อยตัวถึงขนาดนี้ทําไมฉันจึ้ได้เล็วย่างนี้เพราะอะไรเนี่ยไปเสียใจร้องไห้ในทีน่นาที่ทุ้งมาชาัดนะถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมแก้ไม่ได้เลยห้ัมดื้อเลยดื้อนั้นถ้าจะแก้แก้วันนี้เลยนี่นะ่ยปีใหมน่นี่มาใช่ไหมแหละแต่ความจริงอิสลามก็ไม่ได้ส่งเสริมหนึ่งปีใหม่หรอกใช่ไหม อย่างน้อย ก, ก็เป็นข้อเตือนใจอายุเพิ่มขึ้นผมนี่77็ดสิเดแล้วสิเมื่อวานนี่ยม า, าซื้อเนี่ยพอโมกราป่ะเจบ77พี่น้องเท่าไหร่เพิ่มมาปีนี้ใช่ไหมได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการมีปีใหม่ปีเก่าไม่ใช่ช้อองแล้วเมาไม่ใช่นะครับเอาต่อมาครับ <c oughs> โอ้อักบัติทูลังวัดดุนยากอาคิริลินะพี่น้องเ <c oughs> อัล็อตเตือนในในใ น, ในดุนยาไปเยอะ อาเจนี้ชีวิตดุนดุนยาเป็นยางีงพี่น้องกับใครที่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเขาบนดุนยานี้มีความสุขตลอดและใครอะไม่เอาความสุขก็แค่นี้แฮปปี้นิวเอียกับโอลเย่กับนิวเยี่นี่กับคริสต์มาสเนี่ยอิสระเชิญตามสบาย ใครที่ลืมอัลลอฮ์เขาฉลองไหมฉลองคริสต์มาสฉลองปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ทําบาปคนเต็มไปหมดเลยฉะนั้นใครยิ่งทิ้งอิสลามไม่เอาอัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์ลืมสุนนะนบีอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขาฟตัฮานาอะไลฮิมอบบาวาบะคุลลชัยอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขาแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เปิดประตูของความสําราญเอาไปเลยครับ แล้วเป็นไงครับฮัตอีดาฟา ร, ริฮูเมื่อพวกเขาแฮปปี้ที่สุดของชีวิตเอาโฆษาหุมบัคตะตันเอาลอกกระชากเอาความแฮปปี้นี่ออกไปโอ้โหพอวิญญาณมาถึงกห็หอยตาจึิงฉันตายแล้วเลยเนี่ยแฮปปี้มีความสุขรอวักว่าฉลองปีใหม่ก็สุขสงสามปีเก่าก็สุขคริสต์มาสก็สุขสุขหมดเลยไปเนองแล้วเป็นไงครับเอาลอกกระชากเอาความ ความสุขนี่ออกไปเนี่ยทแท้ใจล้วเสียใจรอบให้ทีโผทีไปนี่ชีวิตฉะนั้นอุรอ่านอธิบายชัดนะคนไม่เอ า, าศาสนาอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขาบนดุญยานี้มีแต่ความสุขสุขสุขสุขสุขเฉยแต่ถ้ากี่โลกโลกเดียวโลกอัิเสได้ไหมไม่มีเสร็ครับนั้นคนที่ยืนยันกับอัลอิสลามมีมีบรารการในชีวิตล้งตายสบายแต่คนกาเฟตหลังตายลำบากครับ ออต่อมาอายาที่สิบสามไม่ใช่เลยใช่เลยสิบสามวะลัมยาคุลหุมมิญชุรกาอิหิมชุฟะะวกานุบิชุรกาอิหิมกาฟิรินวะนลัมยาคุลหุมมิญชุรกาอิหิมชุฟะะ วะกันูบิชูรกาอิมกฟิรินอัลฮัมดุลิลลออัลลอฮฺ Allah, แต่และอายาอายอัลลอพูดไม่ซ้ากันเลยนะ <laughs> อายาที่สิบสามนี่พูดเรื่องชาฟาอืมชาฟาแปลว่าอะไรแปลว่าช่วยเหลือตัวช่วย ว่าลามยากุลละหุมลามแปลว่าไม่ยากุนแปลว่าไม่มีละหุมแก่พวกเขาไม่มีผู้ใดจากบรรดาชูรกาผู้ตั้งภาคีหรือว่าสิ่งที่เขาตั้งภาคีที่เขากราบจะเว็ตจะเว็ตจะเว็ตจะเเยตเจวเวจวเยนั้นชูฟ้าช่วยเหลือเขาไม่ได้เลย คนกาเฟที่บูชาจเจวิตบูชามุสลิมที่บูชาโตตะเกียมุสลิมที่บูชาโตระยองมุสลิมที่ไปหาหมอดูมุสลิมที่ทำชีริกห้อยนูนย่นห้อยนี่เต็มไปหมดอัลลอฮ์ก็เอาอะแต่ว่าหมอดูก็ทิ้งไม่ได้เวลาลูกสาวจะแต่งงานไปหาหมอดูก่็เอ้ยเองจะทิ้งปู่ย่าตายายเลยไไปไ ป, ไป ชีริกทั้งหมดนี่นะทีนี้พอตายภาพพอพอตายภาพเนี่ยพอฟื้นขึ้นมานี่นะก็วิ่งหาตัวช่วยสิฉันเคารพ บ, บูชาจเ ว, ตวเิตคารบโตตะเกียโตระยองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกต้นกล้วยที่ออกปีกลางต้นฉันก็กราบมาแล้วน้ําปลาไหลฉันก็กราบมาแล้วฉันกราบมาทุกสิ่งทุอย่างอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์นะพอไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺภาพชูฟาอัวันนั้นช่วยไม่ได้แล้ว หายหน้ากันหมดเลยโตตะเกียบก็หายตัวระยองก็หายหมอดูก็หายเอาไปไางกันหมดมาช่วยสินี่ข้าวุสากราพนเมตอนอยู่บนดุงยาครับรอลลไปน้องคิดเยอะๆองศาจราิงวากาโนบิชุรกาอิหิมกาฟิรินกานนและพวกเขาเนี่ยเป็นผู้อะไรนะกาฟิรุมแปลว่าปฏิเสธ วันนั้นน่ะคนทําผิดเพิ่งรู้ตัวว่าถูกหลอกที่ฉันไปบูชารูปกาเวตต่างๆนี่นะเพิ่งรู้ตัวหลังจากตายแล้วฟื้นขึ้นมาว่าฉันเนี่ยทำผิดช่วยอะไรไม่ได้เลยนั่นพูดเรื่องคนกาเฟตมาพูดเรื่องของเราดีกว่าเรื่องของเราเนี่ยเราต้องการมีมีอะไรนะมีตัวช่วยใช่ไหม ตัวช่วยทั้งหมดมีอยู่9้ารายการสําหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะมีอยู่เกรายการคนที่เอา الله, เอาาัลลอฮ์เอารอซูลเอานบีมุฮัมมัดนะครับคนที่อิหมานต่ออัลลอฮ์หกข้อคนที่มีอิสลามมีห้าข้อมีตัวช่วยเกรายการอลัลลอฮ์พี่นอ้องยิมาชีวิตเก้ารายการมีอะไรบ้างฮะดีคุยมามุสลิมนะข้อที่หนึ่งติรออาอัตุลกูร่า อ่านอัลกุรอานสุร้ไหนก็ได้ในกุรอานนี่ไปน้องยิ่งอ่านทุกวันยิ่งดีใหญ่เลยติร้อนในกุรอานรีกุรอานเอฟเวรีเดออ่านไปเลยกุรอานตัวช่วยที่จะชาฟาอาเราที่ไหนวันกิยามะเรื่องที่สองบัรทุกดมามมุสลิมติร้ออตููตัลบารวาอาออิมรอนให้อ่านกุรอานบเจาะจงสองสรอเลยบากรอกับ อาลาอิมรอนเรื่องที่หนึ่งอ่านสุระอนไหนก็ได้ีนตัวช่วยเรื่องที่สองเจาะจงอ่านสุระอนบกคาร้อนและอาลาอิมรอนเปิดเทปทุววันเลยนั่งฟังอัลลอฮฺได้ความรู้ด้วยเรื่องที่สมอิหม่ามอิบนมจจะมาจาอ่านเจาะจงสุร้อนอตาบารอกันและีบีอาดิฮลมุลกูวาห์และคุณลิชัยอิงก็ดี นี่นบีชี้นำเนี่ยไม่ดีเลยว่าใดีนบีขนาะไรมั่ะอ๋อกบาก็บอกว่านาบีทำไงนี่สาวแล้ว น, นะอ่านคุณอานหมดเลยนะตัวลองว่าสิ่งที่จะตั ว, ต, วตัวช่วยเราให้ปลอดภัยจากการลงโทษอยู่ในบ้านของเราใช่หรือไม่ใช่สุรานี่เพนนกคุณอ่านเต็มเลยนี่เรื่องที่สี่ครับลุกขึ้นนมาตาหฮัดยุด อ๋อลลดิทัวช่วยอยู่ในบ้านเรานะเราขึ้นหรือเปล่าล่ะ <c oughs> คุรอานอธิบา ย, ยางไงแต่ตะเจาฟะยูนูบูฮหมานิลมาดอเจเอาที่เอาสี้าะของเขาลุกออกจากที่นอนตอนไหนนบีอธิบายเอาไว้ก่อนอาดารยุสุบโบสักหนึ่งชั่วโมงเอาอย่างแย่ๆแค่ชั่วโมงเดียวมันค้นเก่งเอาไปสองสองชั่วโมง ขึ้นมาทำอะไรครับอย่าดาวนรอบบหฮุมมาขอดูอาตอ a l า a h เขาฟันว่าต่อมาอันขอด้วยความกลัวจะตกนรกแล้วก็แล้วโมบจ ะ, จะได้สวนสวรรค์เป็นการตอบแทนเห็นยังกันตัวช่วยนะนมาแอะไรครับนมาตาฮัดยุดกี ร, รักาตนา บ, บีทางว้นัแปดขี้เกียจสักสองตุบิเตดอีกสาม ขยันหน่อยสี่เราก็อาจวิเตสอีกสามขยันอีกนิดหนึ่งหกเราก็อาจวิเตสอีกสามถ้าขยันเหมือนนบีแปดเรกาก็อจวิเตสอีกสามตัวช่วยอัลลอฮข้อที่ข้อที่หให้สัลาวดนบีศัลาวดนบีเนี่ยทะเลาะกันไม่จบนบีสอนสาาัฮาบะฮัดิษม่อธิบาชัด ซาบ้าถามว่าให้สลามกับท่านะฉันนะเป็นรู้ต่สาสุลวาถึงท่านทำไงานายพี่ก็บอกอัลลอฮุมมสลยิยาลมุฮัมมัดวะละอมุฮัมมัดก็มาสอลอันให้จบแบบอัลฮัยยาน่ะแต่พวกเรามาคิดใหม่น่ะสลลลลอห์อละเห็นไหมครากาาอยาทํ า, าได้ไหมเอ๊ะคณะใหม่อะเอาอะไรมาสอนเนี่ยบุญาตายารรมาดีอยู่แลว้วเห็นมอย่างนี้นตั เอาแตะเล็กๆนๆ้อยๆเพื่อเพื่ออธิบายเขา้าใจง่ายๆายนะจากนั้นอัลลอฮุมะซิลลัอาลลมุฮัมมัดวะลัอาลีมุฮัมมัดทุกคนต้องสัลลาตาดึงนบีนะพอก่ออุทอายทุกครั้งต้องมีอัลลอฮุมะซิลลัอาลลอมุฮัมมัดวะลัอาลีมุฮัมมัดต้องสัลลาตตลอเวลาเช้ากับเย็นให้สรลลาบาดนบีกับเช้ากับเย็นอ๋อเยอะๆวันตอนเย็นหตอนเชา้า5้าต่อมาข้อที่ห เมื่อได้ยินเสียงอาจารเนี่ยให้รับอาาอัลลอฮุมะรบบะฮฮิดดอติตมะัซลลาติลกอิมอาติมุฮัมมดันิลวาซละวลฟละวะุมะามะห์มดันลลวะตะนี่เป็นตัวช่วยในโลกอาคราตตวลมาเทมุสลิมที่ทาอะไรไว้ก็ตามตามนบีทั้งหมดนี่นะมีรางวัลตอบแทนเปียนเป็นสฟาะในโลกอาคราหมดเลย ฮาหมุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้นบีมาสอนเราต่อมาข้อที่เจ็ดขออุดมอาุดมขออย่างนี้ไอ้อาดมที่เราขอกันอยู่มันดีอยู่แล้วดอาดมเจาะจงนะโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันเข้าสวรรค์อัลลอฮุมะอัลกินนีอัลยันนะอัลลอฮ์จะให้ฉันได้เข้าสวรรค์ไปเถอด ว่าบาอ็ดนีนี่ข้อที่แปดนะว่าบาอ็ดนีมินานาให้จะออกห่างจากไฟนรกต้องขอด้วยข้อที่เจ็ดขอให้เข้าสวรรค์ข้อที่แปดขอให้ห่างจากไฟนรกนี่ไปหาดีขอให้มามุคอรีด้วยออลัมสิครนะัข้อที่เก้าอัลลอฮ์อักบารข้อที่ 9, เก้าใช่ไหมพี่น้อง ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นครบดิ น, ะนทนี่น้องทีไปทําอมรอกันเนี่ยต้องพาไ่นาใช่ไหมอยู่หวันหกวันนบีสอนว่าถ้ามีความเดือดร้อนห้ามบน่นด่าแทบบังมึงพากูมาลำบากจังเลยดูสิเก็บก็ต้องห้ามืนอยู่นูน่นเดินมาสุราใไกลจริงๆ ลำดาเขนี่นบีสั่งนะเมื่อพบกับความลําบากอย่าบน่นนี่เจะจงเฉพาะในบดินฑนาอย่างเดียวถ้าเอามาใชา้ทั่วโลกนดีไม่ดีละ่ะอยู่เมืองไทยเราก็ไม่บน่นอยู่มักกะเราก็ไม่บน่นเราไปไหนมาไหนเราก็ไม่บน่นดีนะไม่ดีอัลลอฮฺอัลลอฮฺนี่เป็นตัวช่วยฟาอาเราในโลกอาคีเราลฮามดูลิ ล, ละอับีนอฟเป็นหาดีษของอิมาม ทำได้เลยบัดนี้บันทึกไว้มาเลยนี่ส้าได้พี่ตองเห็นยังครับตัวช่วยมีเท่าไรเก้า <9. S 1> คนกาฟเฟ่ต์มีบ้างไม่มีใครจะช่วยก็ปฏิเสธเอาล็อแล้วปฏิเสธสุนทรนบีแล้วปฏิเสธกุรอานแล้วปฏิเสธว่าวันกิยาม่าไม่มีเห็นประจบแล้วสิเห็นไหมพี่ตองเห็นอย่างการนั้นโูฟาแปลว่า สฟาอ้างเป็ว่าการช่วยเหลืออนุเคราะห์ตัวช่วยมีตั้งแปดเก้ารายการอัลฮัมดุลิลละนี่ถ้าว่าทําครบเลยดีไหมเนี่ยเก้ารายการครบเลยดีไหมอัลลอฮฺวักวัดไม่เคยโบนเลยพรรยาทำอาหารมาไม่อร่อยก็อัลฮัมดุลิละ ล, ล, ล, ล, ละขอเกลือหน่อยอภรรยารู้แล้วคนนี้มันดีภาษามีชั้นน่ารักจริงๆ ไม่โบนมันไม่ดาผู้แดกไม่ลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับข้อที่สิบสี่นะวยายูมาตะกูมุสซะอาตุยามาอิดีอัตอ ي ي ฟรรกูนอัลลอฮอักบัรต่ละอายานี่มันเรื่องชีวิตเราหมดเลยนะ วายามาตะคุมุสะอาตุยามะอิริยะตะฟรรคุนคำแปลครับอาก่อนก่อนแปลอธิบายก่อนขณะนี้คนชั่วกับคนดีอยู่รวมกันแต่พอวันกตียมมามาอลัลลอฮแยกให้ชัดเจนเลยคนชั่วอยู่กลุ่มหนึ่งคนเลวคนอยู่กลุ่มหนึ่งคนดีอยู่อี ก, กลุ่มหนึ่ง วายาวมาและวันซึ่งตะกูมปว่าเกิดขึ้นอสซายามาวสารอธิบายไงเหมือนกอายาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วปายาเท่าไหร่อะสิบอะสสองดิอ่าสิบสองวันเกียมนี่พูดซ้าไปซ้มากี่ครั้งทั้งหลายครั้งะวันเกียมาเกิดแน่วันเกียมาเกิดแน่ลกใบนี้หมดอายุแน่ โลกใหม่อะไรทันฟ้าอันใหม่มาแน่เตือนให้รู้เองเตรียมตัวยังอัลลอฮฺอาบบัแล้วถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยเราจะให้ยืนยทีม่มุมมืดๆอะข่างสะพานสซรอนเองไม่มีสิญ์ยืนนะ่ะโอ้โหก็ไม่เอาอัลลอฮ่อะแล้วยืดแผ่นดินอัลลอฮทุกวันนี้ไม่เอาอัลลอฮไม่เอาอัลลอฮหายใจอะไรเนี่ยออกซิเจนของอัลลอฮ อ, อยู่เนี่ยไม่เคยขอบคุออัลลอฮเลยอะ วายาุมาตะกูมุสะอะแล้ววันซึ่งยามาวสารวันปรโลกจะเกิดขึ้นตะกูมยาวมาอิลินวันนั้นยะตะฟา ร, ร์กูนพวกเขาจะแตกกระจายแตกกระจายไม่อยู่เป็นกลุ่มตะเลิดวิ่งพลาดเลยไปน้องเอาตัวเองไม่รอด จะไปไหนอ่ะแตกกระจายหมดเลยครับพี่นอ้องอัลลอหอักวัดในตับซิดอธิบายไวย้ผู้ศรัทธาคำว่าแตกแตกกระจายเนี่ยไม่ใช่แตกจากคนที่หนึ่งกับคนคนที่สองไม่ใช่นะแตกจากผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์คนชั่วถูกลากไปอยู่อีกมุมนึง